สามารถติดตามตอนที่เหลือและตอนอื่นๆรวมถึงดาวน์โหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่โ o โชดอทเ J O C H O N E T สำหรับท่านที่สนใจหนังสือกรุณาติดต่อกับคุณหลวงได้ที่โทรศัพท์02 900 7418หรือ086 341 2639